ใช้ได้นะยัไม่ถดถอยไปแลวเพอมาเทศกลาวก่อนรู้สึกเดือนพระสิจิกาพวกเราพอนากันดีนี่มาเทศคราวนี้ครั้งที่แปดปกติไปสอนซ้ำๆนะถ้าฟังซ้ำๆนะยังไงก็พอนาเป็นเว้นแต่จะดือ้อประเภทดื้อกรมพันธนะ์นึ่น พวกเราหลายคนพรวนาได้ได้ดีเชียวองใสใดีเราศึกษานะ่ะค่อยๆเรียนไปเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่นานแค่ไหนทุกวันนี้คนไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นว่าพระทำไม่ดีมีพระไม่ดีเยอะอย่างนี้ เลยบอกว่าไม่นับถือศาสนาพุทธพูดเหมือนว่าศาสนาพุทธเป็นของพระเท่านั้นที่จริงแล้วศาสนาพุทธเป็นของพุทธบริษัททุกคนพวกเรา น, นี่แหละสองบริษัทพระนี่หนึ่งบริษัทมีภิกษุภิกษุนีไม่มีแล้วสูญไปแล้วทําไงก็เกิดขึ้นมาอีกไม่ได้ต้องรอพระพุทธเจ้าใหม่ก็เหลืออุบาสก อ, อุบาสิกาสองคนสองกลุ่มนี้ ถ้าบวาสกวาสิกามีความสำนึกนะว่าตัวเองเป็นเจ้าของศาสนาเช่นเดียวกับพระจะไม่โยนภาระการรักษาศาสนาให้พระข้างเดียวพระไม่มีกำลังหรอกคนไทยทั้งเจ็ดสิบกว่าล้านมีพระอยู่สองแสนพระจำนวนหนึ่งนะท่านไม่ได้มีความรู้อะไรบวชตามประเพณีไปนั่นเองพระที่มีกำลังได้ศึกษาได้ปฏิบัติเมีไม่มาก เราจะไปเรียกร้องเอาศาสนาไปฝากให้คนสักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยมันล่อแหลมไปพวกเรามีตั้งหลายล้านงั้นมีหน้าที่ต้องเป็นชาวพุทธให้ได้ชาวพุทธที่จะรักษาพระศาสนาได้เนี่ยอันแรกเลยตัวเองต้องศึกษาไม่ศึกษาอยู่ๆก็มักรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของสาวกเมื่อศึกษาแล้วต้องปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนะยังไงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆริงตัวเราตายก็ไปเกิดใหม่ตัวเดิมไปเกิดใหม่หรือตัวเรามีอยู่จริงจรงาตายแล้วก็สูญไปเลย mm hmm. ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นมิจฉาทิฏฐิมีเยอะแยะไปหมดเลยสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเรียน ศึกษาหลักของการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นม า, าจากนั้นเราก็บอกต่ออย่างที่ได้่ท่านอาจารย์สมชัยท่านก็เมตตาเปิดโอกาสจัดสถานที่จัดอะไรนะให้พวกเราได้ฟังธรรมะเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็มาบอกต่อนี่ผู้บอกต่อเนี่สักวันหนึ่งพวกเราภาวนารู้เรื่องแล้วนะเราก็มีหน้าที่บอกต่อ แต่การบอกต่อต้องบอกตอบด้วยความเมตตาถ้าเผยแพร่ธรรมะเพื่อจะหาผลประโยชน์เนวยนะเช่นจะทำหนังสือขายทำอะไรขายหาเงินหาทองไม่ได้ทำด้วยความเมตตาเนี่ยไม่ไม่บริสุทธิ์พอดงนั้นพวกเราเรียนให้รู้เรื่องแล้วลงมือปฏิบัติให้เข้าใจถ้าจากนั้นช่วยกันเผยแพร่สืบทอดศาสนาไปด้วยใจที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องแยกแยะออกว่าอะไรเป็นคําสอนที่ถูกอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าสู้ได้แล้วใครเข้ามาบอกเราทําบุญมากๆแล้วได้ขึ้นสวรรค์สูงๆเลยเนี้ยไม่พุทธเจ้าจไม่เคยสอนอย่างนั้นไม่ไเคยสอนหรือมาสอนเราบอกว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ได้เป็นโลกโลกหนึ่งหรอกโลกโลกหนึ่งมันก็เป็นยังเป็นทุกข์อีกแหละมีรูปมีนาม เราต้องเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับพวกมิจฉาทิฏฐิได้ใ น, นลักษณะ3ประการของคนที่จะสืบทอดศาสนาได้ศึกษาให้รู้เรื่องนะศึกษาให้รู้เรื่องเผยแพร่ต่อไปด้วยใจที่เมตตาสามารถอธิบายแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งพวกเราต้องรับหน้าที่รับช่วงเหมือนวิ่งผลัด พระท่านวิ่งพลัดจะมาหลายรอบแนะล้วนะเชินเดินพระจะหมดล้ตอนนี้ต้องส่งไม้ให้โยมรับไปวิ่งปลัดต่อนะโยมอย่าพลัดแบบผลัดกันประกันพรุ่งก็แล้วกันพ <c oughs> ลัดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถามจริงๆนะใครภาวนาแล้วบอกว่าเอาไว้ก่อนบ้างมีไหมเดี๋ยวไปแก่ๆแล้วจะภาวนามีไหมอย่าประมาณนะติ่งเด็กตายไปเยอะล้ไม่แน่เลยว่าจะต้องอยู่จนแก่แล้วมาภาวนาได้ งั้นการภาวนานเนี่ยรีบทำซะแต่วันนี้ทําพรุ่งนี้ก็เรียกว่าประมาทเกินไปละเพราะไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ถึงพรุ่งนี้แล้วถ้าทําวันนี้นะอาจจะได้มรรคได้ผลรอไปเรื่อยๆนะอินทรีย์ไม่แกิกล้าสัทีสะสมกิเลสตปยาวนานลงมือปฏิบัตินสะสมแต้มไม่ทันพลาดโอกาสอีกชาตินี้ควรจะได้มรรคได้ผลก็ไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะถ้าเราพานาตั้งแต่อายุน้อยๆนะโอกาสที่จะทําได้เนี่ยมันสูงกว่าตอนที่อายุเยอะๆในสมัยพุทธกาลก็มีขอทานหัวเมียคู่หนึ่งนะขอทานอยู่หน้าวัดนี่แหละพระเจ้าทาั้งอาชีให้พระดูบอกว่าคู่เนี้ยถ้ามาปฏิบัติตั้งแต่หนุ่มๆนะจะเป็นพระอรหันต์ถ้วปล่อยวันปล่อยเวลานะให้กิเลส ท, ท่วมหัวหไปเรื่อยแล้วก็ฐานะ ยากจนลงเรื่อยๆจนไม่มีจะ ก, กินชีวิตลําบากร่อนได้อนาถาชีวิตเต็มเปด่วยความทุกข์แล้วไม่มีกําลังตอนนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มักได้ผลแล้ได้แต่ขอเขากินไปวันๆหนึ่งเห็นพวกเราอย่าไปทําผิดเหมือนอิตาขอทานคู่นี้พวกเรามีโอกาสที่พาวนาไว้ก่อนการภาวนามันก็คือการยกระดับใจของเรามันมีงานจริงๆอยู่2งานนะ สอนที่ไรก็สอนทุกทีแหละแต่ว่าทําให้ได้ก็เล่ากันหลวงพ่อเทศให้ฟังนะถ้าไปเปิดซีดีก็จะรู้ว่าเทศเหมือนกันทุกวันอะ่ะแต่เวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยความรู้ความเข้าใจเราจะไม่เหมือนกันมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปประโยคเดิมที่แบบเคยเข้าใจนะพอไปฟังนานๆไปพอนานไปได้ฟังอีกเนี่ยเราพราะว่าไม่เหมือนเดิมความเข้าใจของเราต่างจากเดิมมันเป็นปกติของธรรมะเป็นอย่างนั้นแนหะ เราจะเข้าใจได้ตามชั้นตามภูมิของเราดนั้นรีบศึกษานะลงมือปฏิบัติการปฏิบัติก็เป็นการพัฒนาจิตใจของเราเองเพื่อไปสู่ความสิ้นทุกข์จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือความดับสนิทแห่งทุกข์หมายถึงว่าไม่มีทุกข์ไม่มีเชื้อของทุกข์ที่จะเกิดด้วยไม่มีเหตุที่จะเกิดทุกข์อีกแล้วทุกข์มันก็ไม่เกิดอีกแล้วดับสนิท จุดหมายปลายทางก็คือดับสนิทแห่งทุกข์ไม่มีทุกข์งั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อเอาดีเอาสูงเอาสงบเอาสวรรค์เอาพรหมโลกนั่นตื้นไปสวรรค์ไม่เที่ยงพรหมโลกก็ไม่เที่ยงเทวดาก็ตายพรหมก็ตายงั้นเดียวเป็นของที่แปลปรวนเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เราต้องศึกษาปฏิบัตินะจนใจมันเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริง ความจริงของรูปของนามนี้แหละแต่ก่อนที่ใจจะฉลาดเข้าถึงความจริงคือเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันก็มีงานอันนึ่งนะคือการฝึกใจให้มันมีพลังที่สมรรถกรรมฐานงานั้นงานมันมีสองงานที่จะฝึกใจหึฝึกสมถรกรรมฐานฝึกให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีความรู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นมีกําลังที่จะไปภาวนาเจริญปัญญา งานที่สองก็คือวิปัสสนากรรมฐานคือการอบรมจิตใจให้ฉลาดไม่ใช่แค่อบรมจิตใจให้มีความสุขความสงบมีสองงานเท่านี <S <S ้เองไม่ใช่เหมือนทางโลกนะงานเยอะแยะไปหมดเลยงานบ้านงานส่วนตัวงานสังคมงานเพื่อนของานโน้นงานนี้เยอะแยะไปหมดเลยงานบวชงานแต่งงานโน้นงานนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่งานทางใจของเรามีสองงานงานสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน สมาทากรรมฐานทำไปให้ใจมีความสุขมีความสงบให้ใจรู้ตื่นเบิกบานาย่างสมาทานยังแยกได้สองส่วนส่วนหนึ่งฝึกไปให้จิตใจมีความสุขความสงบจะได้มีกำลังอีกอันหนึ่งก็คือฝึกใจให้ตั้งมั่นมีความสุขความสงบด้วยแล้วตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะเอาใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปเจริญปัญญาในพวกเราเท่าที่หลวงพ่อสังเกต ด, ดูเนะ พวกเราก้าวหน้าขึ้นมากนะสมาธิพวกเราดีกว่าเกา่าใครรู้สึกตัวไหมว่าสมาธิดีกว่าเกา่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นรู้สึกไหมใครรู้สึกยยกมือซิหรือใครแย่กว่าเกา่านี่ไหมถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วแย่กว่าเกา่าแนะ น, นํานะไปเรียนที่อื่นเถอะแสดงว่าไม่ดูกับจริตกันนะไปหาอาจารย์เอาไหมถเรียนกับหลวงพ่อแล้วมันควรจะต้องดีขึ้นดีเห็นเห็นเลย มีเด็กคนหนึ่งมันส่งกันบ้านฟังซีดีสองครั้งสองวันมีอยู่แผ่นเดียวแหละฟังสองวันจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันแยกขันได้มันเห็นขันเกิดดับได้เฟังสองวันเองพวกที่มันไม่คิดมากนะฟังธรรมบ้านไม่ได้คิดมากภาวนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ถ้าขยันดูต่อเนื่องไปมันก็ก้าวหน้านะถ้าพอวนาเป็นแล้วขี้เกียจเดียวก็เสื่อมหมด เอาแน่นอนยังไม่ได้กลับกรอกอยังเชื่อไม่ได้เรา่าเป็นผูตุชนอยู่จเจริญได้ยังเสริมได้อีกเน้นประมาณไม่ได้นะหลักข้อสัญญานะไม่ได้ยากอะไรหรอกเราใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขจาไว้นะนะหลักง่ายๆเาืงั้นเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเครียดมากๆเราต้องการพักผ่อนะเราใช้ใจที่มีความสุขนะไปรู้อารมณ์ที่มีความสุข อย่างเราต้องมาสํารวจตัวเองก่อนว่าเรารู้อารามณ์อะไรเรามีความสุขถ้าเราอยู่กับพุโทพโธแล้วมีความสุ ข, สขเราก็ใช้พุโทโธเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจเอาเราเดินจงกรมแล้วมีความสุขเราก็เดินจงกรมเอาอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันบางคนเดินจงกรมเก่งบางคนเดินไม่ได้หลวงพ่อไม่ถนัดเดินจงกรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนบ้านเนี่ยบ้านแบบโบราณเนี่ยบ้านไม้ กลางคืนนะคืนเดินนะัมันล่านเยด็เยดเยด็ดเย็ดเหมือนผีเดินนะคนอื่นเขานอนไม่หลับไม่ได้เดินต้องนั่งนั่งนี่นะยากกว่าเดินนะใครรู้สึกว่าเดินยากกว่านั่งมีไหมจริงจริงนั่งยากกว่าเดินนะนั่งจะไม่ให้หลับเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเดินหลับมีไหมมีนะตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะไปบวชมัชชนประทานนะรุ่นเดียวกันที่บวชก็หลายคน มีคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีซะด้วยสิไปเดินจงกลุ่มที่ภาวนามเป็นห้องคล้ายๆห้องอย่างเนี้ยผนังทุกด้านเป็นมุ้งลวดให้ลมมันผ่านไม่ต้องเปิดพัดลมหรสบายกลางคืนนะพวกครก็นั่งแต่นี่แก ง, ง่วงแกงลุกขึ้นเดิ น, นปรากฏว่าเรนั่งไปนะั่งไปในยุงเข้ามาเต็มห้องเลยสงสัยทำไมมหันไปดูมุ้งลวดเป็นรูไปแลไอ้นี่เดินออกจากศาลาไปแล้วยังไม่ตื่นเลย เดินก็หลับได้เหมือนกันนะถ้ามันจะหลับอ่นะแต่ว่านั่งเนี่ยนะหลับง่ายกว่านอนหลับได้ง่ายกว่านั่งอีกให็นไหมใครนอนทําสมาธิได้บ้างมีไหมอ่ไม่หลับนะอนอนแล้วจิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะถ้าทําได้ก็เก่งฝึกให้ได้ทุกอิริยาบถก็ดีเราไม่รู้ว่าเราจะตายในอิริยาบถไหนใช่ไหมส่วนใหญ่ตายในอิริยาบถอะไร นอนใช่ไหมบอเราสินอนทีไรจิตเป็นอกุศลทุกทีเลยนะแล้วยาทายัางไง <c oughs> เวลาจะตายจะเรียกให้เขาพาเราเดินก็คงไม่มีใครพาเราเดินหรอกนะะอย่างมากก็ประคองขึ้มานั่งอะไรอย่างเงี้ยวรโ์โอดโวยอยู่ที่การฝึกนะฝึกอิริยาบถ ท, ที่เราถนัดเบื้องต้นเอาอิริยาบถ ท, ที่เราถนัดก่อนถนัดเดินก็เดินเอาถนัดนั่งก็นั่งเอาอิริยาบถอะไรทําแล้วสบายใจเอาอิริยาบถนั้นแหละ นั่งหายใจพุโทโธไปหายใจไปนั่งสมาธิแล้วมีความสุขเนี่ยเรียกเรารู้จักเลือกนะว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรบางคนเดินโจงกลมแล้วมีความสุขเขาก็ชอบเดินให้เขาเดินไปนะถ้าเรานั่งแล้วมีความสุขเดินไม่มีความสุขเราก็ไม่เดินนะเนี่ยแล้วแต่แต่และคนไม่เหมือนกันคนที่นอนแล้วได้ธรรมะก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนที่เอนเอนแล้วเป็นพระอรหันยังมีเลยนะใครรู้จักไหม เคยได้ยินชื่อพระอานนทะ์ไพระนท์พระอนนท์บราารลุพระอรหันต์ตอนเอ็นเอ็นนะบอกว่าศีสามไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นหลวงพ่อเราไปลองพระนอนนท์นอนอีท่าไหนว่าหัวไม่ถึงหมอนเท้าไม่ถึงพื้นไม่พ้นพื้นนอนได้ยังไงวะนอนหาวิธีนอนอยู่ตั้งนานนะสุดท้ายรู้เลยท่านนอนบนเตียงถ้าไม่นอนเตียงเนี่ยทําท่านี้ไม่ได้เอ็นลงไปใช่ไหมเท้ายังไม่พ้นพื้นแต่หัวยังไม่ทันถึงหมอนท่านบรรลุละ ถ้าเราอยู่ที่พื้นอย่างนี้เท้ามันพลนพื้นแล้วก็หัวทิ่มไปเลยสิเไหมไม่พ้นตลอดแล้วทั้งนั้นเนี่ยเราดูว่าอิริยาบถอะไรนะที่เราภาวนาแล้วสบายมีความสุขนะหรือว่ากรรมฐานอะไรที่เราภาวนาแล้วสบายมีความสุขเราใช้กรรมฐานอนั้นนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุโทโนี่เรียกว่ามีอารมณ์ที่มีความสุข แต่เราจะต้องใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขด้วยนะเพราะเราหายใจแล้วเป็นอารมณ์ที่ดีจิตชอบแต่เราจิตใจเราไม่มีความสุขเราบังคับจิตจะให้สงบเนี่ยเป็นไหมพวกเราเวลาภาวนาเราบังคับจิตอยากให้สงบเร็วๆเป็นไหมจิตที่ถูกบังคับไม่มีความสุขนะเพราะงั้นจิตไม่สงบไม่มีทางสงบเลยนั้นต้องทําใจสบายๆ ส, สงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างหลวงพ่อถึงสอนว่ายิ้มหวานๆไว้ก่อนเอายิ้ม ยิ้ม ห, หวานๆวานเดี๋ยวนี้เริ่มยิ้มเป็นแล้วบางคนแยกเขี้ยวเลยเนื้ยิ้มหวานๆวานให้ใจสบายถ้ใจผ่อนคลายแล้วนะรู้อารมณ์กรรมาฐานไปได้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ไปทำใจกลุ่มๆเครียดๆนะถึงเวลาภาวนาทำใจกลุ่มเนี่ยแล้วบอกหายใจหายใจมีความสุขนะมาเห็นมันจะสุขตรงไหนเลยอย่างนี้ไม่สงบนะ ถ้าใจเราสบายเนี่ยใจผ่อนคลายาใจเรามีความสุขอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นร่างกาหายใจนี่สงบทันทีเลยนยลึกไปนิดหนึ่ง <c oughs> <laughs> เวลาจะออกนะเราทําใจสงบเวลาจะออกหายใจแรงๆขึ้นเหนื่อยหน้าเหอยหน้าหน่อย <c oughs> <c oughs> จําไว้นะเวลานั่งสมาธิอ่ะถ้าใจรวมลงไปแล้วมันจะออกนะ เงยหน้าหายใจก็จค่อยๆเคลื่อนออกมานะไอ้วิธีเงยหน้าหายใจเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนนั่งหลับก็ได้นะนั่งหลับในี่ยหวอ้มทิมหน้า <c oughs> ค่อยๆเงยหน้านะฝืนใจเงยหน้าลืมตาซะหน่อยนะหายใจพ่นลมแรงๆ <c oughs> เงี้ยเดี๋ยวก็ตื่นนะอย่าไปฝึกตัวเองให้ซึมนะซึมเป็นชื่อของซ่วมไม่ดีนะพยายามให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นค่อยๆฝึกนะ อันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่เราอยู่กับโลกได้อย่างดีเลยเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตเครียดๆนะเราทำความสงบเข้ามานะนั่งหายใจไปพุโทโธไปมีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาใจมีความสุขมีแรงไปสู้กับชีวิตได้อีกนะี่เรื่องของสมถะธรรมฐานอันนี้สมถะชนิดที่หนึ่งนะฝึกให้สงบให้สบายให้มีเรื่องมีแรงนะใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุข รู้ไปอย่างต่อเนื่องสบายๆแค่นี้เองเคล็ดลับแล้วถ้าจิตรวมลงไปเราก็จะไปฝืนดึงออกมาถ้าจิตเขารวมไปแล้วถ้าเราไปดึงออกมานะปวดหัวแล้วถ้าจะจำเป็นต้องออกนะเราก็หายใจแรงๆขึ้นเงยหน้าซะหน่อยนะดูจิ้งจกนะถ้าจิตมันไม่ออกมาก็พยายามเงยหน้านับว่ามีจิ้งจกกี่ตัวนะนับเนี้ยเดี๋ยวก็หลุดออกมา แต่ถ้าอยู่ๆดึงออกมานะปวดหัวฝึกนะแล้วจะได้เอาไว้พักผ่อนชีวิตจะได้ไม่เครียดเกินไปสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยเราใช้กรรมฐานอย่างเดิมแะแต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ถ้าเราน้อมจิตในที่มีความสุขนะน้อมไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขเราได้ความสงบอันนี้เราก็รู้อย่างเดิมเช่นเรารู้หายใจเข้าพู้หายใจออกโทไปนะ หรือเดินจงกลมไปเราคอยรู้สึกไปแล้วถ้าใจเราหนีไปใจเราหนีไปคิดให้รู้ทันใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันใจไหลไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทันใจมีจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดส่วนใหญ่ก็จะไหลไปคิดงั้นเราทํากรรมฐ า, านสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้จิตที่ไหลไปคิดนะในห้องนี้ทําได้เกินครึ่งแล้วที่จะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด หลวงพ่อหยุดพูดนะลองพวกเราลองดูห้ามคิดคิดไหมทําไมรู้ว่าไหลไปคิดเนี้ยรู้แค่นี้เองอะยากอะไรเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไม่คิดไวยไม่คิดไม่คิดนะกลายเป็นคิดคําว่าไม่คิดซิอีกนะไม่คิดไม่คิดไม่คิดนะก็คิดอีกแล้วนะสังเกตฑ์แมหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะร่างกายหัวเราะเใช่ไหมใจเป็นคนเห็น ใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายหัวเราะใช้ได้นะนะร่างกายหัวเราะใจเผลอใช้ไม่ได้แนละ้วนะนะค่อยๆฝึกไปถ้าใจมันเผลอคือใจมันไหลไปใจมันลืมตัวเองมันไหลไปสมาธิก็ไม่มีใจมันฟุ้งซนะ่านงั้นเราค่อยๆฝึกไปทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปอย่างนี้แรงไปอีนูแถวที่สองเนี่ยที่มีภาพผูกคออนะนะย่าผูกแน่นั้ น, นะเดี๋ยวหายใจไม่ออก ตัวอะไรหัวเลาะนึกออกไหมตัวอะไรหัวเลาะเมื่อกี้เนี้ยตัวหลงหัวเล้อไม่ใช่ร่างกายหัวเลาะหรอกตัวอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าลืมหมนไปหัวล้ออย่างเดียวเนี่ยคยค่อยหัดรู้สึกนะในส่วนเราจะเห็นนะใจมันเป็นคนดูขึ้นมาร่างกายมันหัวเลาะร่างกายมันหายใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนะใจเป็นคนดูเนี่ยอาศัยที่เราคอยรู้ทันเวลาใจไหลไป ใจไหลไปใจตั้งมั่นขึ้นมาใจมันกลายเป็นคนดูขึ้นมาดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานร่นางกายมันทำงานอะไรบ้างมันก็ยืนเดินนั่งนอนไปทั้งวันใช่ไหมมันหายใจออกหายใจเข้าทั้งวันนั่งดูไปเรื่อยๆเราจะรู้มันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตนะุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา หายใจเข้าหายใจออกทําท si si right? ั้งวันใช่ไหมเนี daring, ่ยธาตุมันหมุนอยู่นะถ้าธาตุไม่หมุนเมื่อไหร่ตายเลยนะหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายนะกินอาหารแล้วไม่ถ่ายก็ตายนะถ่ายแล้วไม่ได้กินก็ตายเหมือนกันนะถ่ายไม่เลิกก็ตายเหมือนกันนะเขาเรียกว่าตายอะฮิวาเห็นไหมเนี่ยตายตายดังนั้นร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนเนี้ยไปนี่คือการเจริญปัญญานะ งันเรามีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วแล้วก็ดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเนึกว่าเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาเจริญปัญญาถ้ามาตั้งมั่นแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆยใช้ไม่ได้นะรู้ตัวอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้นะงั้นบางคนนะมัว่วสั่วเมื่อก่อนมีเรยเรืบอกว่ า, ลาหลวงพ่อประมดสอนบอกรู้ตัวอย่างเดียวก็พอละรู้ตัวเฉยเฉยรู้ตัวเฉยเฉยใช้ไม่ได้ทําไมตอนแรกๆสอนให้คนรู้สึกตัวคนในโลกนี้มันไม่รู้สึกตัว เราก็ต้องสอนให้รู้สึกตัวให้เป็นก่อนพอรู้สึกตัวได้แล้วก็สอนให้รู้จักเอาใจที่รู้สึกตัวแล้วมาเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉ ย, ยๆมันยังไม่ได้เข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่ไหนนะงนั้นเราหัดรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไม่เห็นว่าร่างกายเต็ไมไปด้วยความทุกข์นะหายใจออกมันก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์พวกเราคนไหนรู้สึกอย่างนี้บ้างว่านอนก็เป็นทุกข์ มีใครรู้สึกตัวนี้ได้บ้างยกมือซิสาธุส่วนมามนอนเป็นสุกนะนอนเป็นหมูเลยกลิ้งไปกลิ้งมาะอย่างหลวงพ่อนะถ้านอนเนี่ยก็แค่ว่ามันแก้ทุกของอิทิยาบทอื่นมันนั่งมานานแล้วมันเดินมานานแล้วมันยืนมานานแล้วมันเมื่อยแลมานอนแก้ทุกอิทิยาบทอื่นแต่นอนมันก็เป็นทุกข์อีกนอนแล้วเดี๋ยวก็ต้องพลิกไปพลิกมาใช่ไหมเนี่ยเราเห็นมันทุกข์อยู่ทุกทุ ก, ทกอิทิยาบทนะ ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ยืนเดินนั่งนั่มีแต่ทุกข์เพราะใจมันเข้าใจตรงนี้ใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายมันเห็นแล้วนี่ร่างกายมันมีแต่ความทุกข์นะไม่เห็นจะมีอย่างอื่นเลยไม่เห็นจะวิเศษวิโสตรงไหนเลยนั่นต่อไปพอร่างกายแก่มันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์แก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บเป็นตัวทุกข์เจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายตายเป็นตัวทุกข์ตายไม่ใช่เราตายถ้าฝึกให้ได้อย่างนี้นะใจห้าวหาญมากเลยไม่กลัวหรอก เพราะว่าตัวทุกข์มันตายก็สมน้ําหน้ามันใช่ไหมแต่ท้องเรากลัวตายเท่าะอะไรเพราะว่าตัวดีมันจะตายตัววิเศษของเรามันจะตายแล้วตัวนี้วิเศษเหลือเกินนะวิเศษเหลือเกินถึงวันก็พาไปหาหมอไปถอนฟันไปทําฟันทำโน่นทนํานี่ยังจะว่ามันตัววิเศษอีกตัวดีถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆปัญญามันก็เกิดเมื่อเห็นความจริงของร่างกายร่างกายมีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราะร่างกายเนี่ยดูได้สองอย่างง่ายๆนะ ดูว่าเป็นทุกข์อันหนึ่งดูว่าไม่ใช่ตัวเราอนนี้อย่างหนึ่งส่วนจิตใจเนี่ยดูว่าไม่เที่ยงเพราะจิตใจนี่แปรพลวนเร็วร่างกายแปรปรวนช้ากว่าจิตใจไหมร่างกายเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าวันนี้เราแก่กว่าเมื่อวานไม่รู้สึกใช่ไหมรู้สึกไหมว่าปีนี้แก่กว่าปีกลเนี่ยปีนี้เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันใช่ไหมยี่ามันแก่กว่าปีกลายแล้วหรือไม่รู้สึกหรอกบางทีตั้งหลายปียังไม่ค่อยรู้สึกเลยนะเชจนไปดูรูป เคยไปดูรูปที่ถ่ายมาหลายๆปีไหมรู้สึกไหมว่าแก่ขึ้นนะหรือเป็นหนุ่มขึ้นก็แต่ก่อนเป็นเด็กตอนนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวในร่างกายเราดูให้เห็นว่าไม่เที่ยงเนะี่ยยากแต่จิตใจนะไม่เที่ยงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็อยากมาฟังเทศพอมาฟังเทศแล้วอยากกลับบ้านอย่างนี้นะนะชวนกันมาฟังธรรมเดี๋ยวก็ชวนกันไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะใจมันเสียเปลี่ยน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยถ้าเรามีสตินะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆไม่เห็นแต่ของไม่เที่ยงนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแค่เห็นแค่นี้ก็วิเศษนักหนาแล้วนะคนในโลกเนี้นะที่ดิ้นพลั้นพลั้นเหมือนหมาถูกน้ําร้อนเนี่ยเพราะมันอยากได้ความสุขมันดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปดูหนังก็อยากมีความสุขใช่ไหม ไปกินเหล้าอยากให้หายคลุ้มใจนะหรืออยากเลี้ยงฉลองให้มีความสุขเนี่ยสิ่งที่อยากได้จริงๆนะอยากได้ความสุขอยากพ้นจากความทุกข์เนี่ยที่เราดิ้นรนแทบตายก็เพราะเรื่องแค่นี้เองแต่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าเราเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงจะดิ้นมันทําไมอ่ะดิ้นหาความสุขเหรอความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปรู้สึกไหมเราดิ้นรนอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งได้มามีความสุขประเดี๋ยวเดียวใช่ไหม เดี๋ยวมันก็ไม่มีความสุขแล้วเฉยๆแล้วความสุขก็หายไปไปอยังได้อย่างอื่นต่อใครแต่งงานแล้วบ้างมีไหมอย่างนี้มีใครแต่งงานนะ้วต่อไปนี้ไม่ต้องยกมือนะนึเกเห็นไหมตอนก่อนแต่งกับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันนะใครรักเมียมากกว่าเก่ายกมือซิใครรักสามีมากกว่าเก่ามีไหมอาจจะมีก็ได้นะเจอสามีดีดีนะอ่ ถ้าเกิดว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนความสุขนะอย่างสมมติเราจะจีบสาวสักคนจีบได้ยอมเป็นแฟนเรามีความสุขแล้วใช่ไหมเนีเขาเป็นที่แรกไม่รู้จักเลยหาทางให้รู้จักหาแลกเบอร์โทรศัพท์แลกลายแลกอะไระแลกสําเร็จมีความสุขแล้วสุขแป๊บเดียวนะไม่สุขแล้วอยากได้มาเป็นเมียแล้วเขานี้นะอยากเป็นแฟนนี่ไม่พอแล้วเป็นแฟนนี่ไม่มีความสุขแล้วอยากให้มาเป็นเมียเรา เขามาเป็นเมียเราแล้วเนี่ยอยากอีกละอยากให้มันไปเป็นเมียคนอื่นสับ้างให้ไปไปให้พ้นชีวิตเราสักทีอนะ่างนี้ความสุขนะมันสั้นนิดเดียวลองไปดูในชีวิตเราลองไปนึกย้อนหลังนะอะไรที่มีความสุขมากๆแล้วเรารู้สึกไหมมันสั้นมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าใจมันเข้าใจความจริงนะวความสุขมันก็สั้นนิดเดียวนะเวลาใจมันหิวความสุขนะมันรู้ทันว่าเนี่ยมอยากได้ความสุขแนละ้ว รู้เลยว่าไสาระดิ้นรนแทบตายนะเพื่อจะได้มาได้มาแล้วก็ได้ความสุขนิดเดียวแล้วก็หมดไปความสุขก็หมดไปอีกแล้วหรือความทุกข์เองก็อยู่ชั่วคราวใครเคยมีความทุกข์มากมากบ้างมีไหมใครเคยทุกข์ถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายมีไมไปเทศบางที่มีนะมามีโยมอยู่คนหนึ่งทุกข์อยากฆ่าตัวตายนะมันผ่านไปไหมผ่านใช่ไหมความทุกข์ก็ไม่เที่ยง ไม่ได้ทําอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะอยู่ไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่ได้อยากฆ่าแล้ว น, นั่นความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงนะว่าความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงนะเวลาที่ความทุกข์เกิดนะมันจะไม่ทุรนทุรายไม่กลุ้มใจมันจะรู้ว่าของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายนะถึงจะไม่ไปแก้ไขนะมันก็หายมีไหมปัญหาที่เป็นปัญหานีรันดอมมีไห ไม่มีอ่ะมีปัญหาเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละไม่รู้จักจบจากสิ้นนะปัญหาในโลกโลกเนะี้ยไม่มีหรอกไอ้ความทุกข์ในโลกโลกนี้รันดอนไม่มีหรอกมีแต่แบว่าอยู่ทุกชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็าหายไปอย่างบางคนนะไปซื้อบ้านสบายเลยอยู่ๆเขามาตั้งโรงเลี้ยงหมูอยู่ข้างบ้านนะเป็นทุกข์มากเลยถามว่าต้องทุกข์ตลอดไปไหมไม่ตลอดหรอกนะตอนที่เดินออกไปนอกบ้านไปทําธุระที่อื่นนะไม่ได้กลิ่นหมูไม่ได้คิดถึงหมูไม่ทุกข์นะ เราพอจะกลับบ้านนะคิดถึงหมูใหม่ทุกใหม่ในชะ่ไหมความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะทุกเป็นคราวๆนี่เราค่อยๆสังเกตไปนะความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะดีชั่วก็ชั่วคราวอีกนะความดีก็อยู่ชั่วคราวความชั่วก็อยู่ชั่วคราวใครเคยโกรธนานๆมีไหมโกรธใครเคยโกรธสาวันสามคืนมีไหมเคยเลยเหรอไม่นอนเลยเหรอเห็นไหมตอนนอนนี่ไม่โกรธเนาะ เราไม่มีหรอกโกรธสาวันสามคืนนะยกไม่ต้องโกรธจนตาค้างไม่ไปนอนเลยนะอ่าในเมื่อความโกรธมันก็ไม่เที่ยงมันเรานึกว่าเดี๋ยวเราโกรธไอ้คนนี้ได้ปีหนึ่งและวี่จริงไม่ใช่เราโกรธต่เมื่อนึกถึงมันถ้าเราไม่ได้นึกถึงมันเราก็ลืมโกรธโกรธก็ไม่เที่ยงนะความรักก็ไม่เที่ยงนะบางบางคนบอกรักกันมายี่สิบปีแล้วที่จริงไม่ใช่ รักกันตอนที่เจอหรือตอนที่คิดถึงถ้าตอนที่ไม่ได้คิดถึงไปคิดถึงคนอื่นก็ไม่ได้มารักคนนี้เนี่ลักษณะของจิตนะรักก็ไม่เที่ยงนะเกลียดก็ไม่เที่ยงโกรธก็ไม่เที่ยงอะไรๆเขไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้าดูลงไปนั้นเราจะรู้เลยว่าเราอยู่กับของไร้สาระอย่างเราความสุขเป็นของไร้สาร ะ, ะมันไม่มีจริงมันชั่วคราวเราก็ดิ้นจะหามาให้ได้เลยความทุกข์มันก็ไร้สาระมัอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปเราก็ดิ้นรนอยากให้มันไปเร็วๆ ได้สาระนไม่ต้องทําอะไรออกมันก็ไปของมันเองความดีความชั่วนะมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะให้ใจมันฉลาดให้ใจมันเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยเรืเรเร่นี้บางทีเราก็ดูเห็นจิตใจมันทํางานนะถ้าเห็นจิตใจมันทำงานเราก็ดูจิตใจมันทำงานเลยเออเดี๋ยวตอนนี้มันสุขเดี๋ยวนี้มันทุกข์ละเดี๋ยวมันดีแล้วมันชั่วละนะเห็นมันมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เห็นว่ามันบังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ะชั่วแล้วให้หายชั่วโกรธแล้วให้หายโกรธก็ไม่หายเนี่ยมีแต่ของบังคับไม่ได้ตัวที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะมามีแล้หายมีแล้วหายอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังตัวที่เห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเห็นอนัตตางั้นดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาง่ายถ้าดูกายเห็นทุกข์ขังเห็นอนัตตาง่าย ถ้าเมื่อไรดูจิตได้ให้ดูจิตนะเพราะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้านะร่างกายเป็นแค่บ้านที่จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ดูจิตไม่ออกมั่วไปหมดแล้วดูจิตไม่ออกให้ดูกายเพราะร่างกายไม่มั่วหรอกร่างกายเพิ่งนั่งอยู่นี่แหละรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่มแต่จิตน่ชอบหนีไปตั้งหลายรอบแล้วใช่ไหมใครหนีออกจากวัดพระาธาตุโกดแก้วหลายครั้งแล้วยกมือซิมีไหมเยอะแยะเลยทุกคนแหละนะ ทุกคนเละใจแวบวบแวบเยใจมันหนีไปได้ร่างกายยังไม่ได้ไปเลยไมมันร่างกายไม่หนีไปไหนหรอกนะเราะนั้นจะกลับบ้านแล้วก็เอาร่างกายกลับบ้านไปด้วยนะงั้นถ้าดูจิตไม่ได้นะดูกายกายไม่หนีไปไหนหรอกยังไงก็เจอเนก็คอยรู้สึกไปไอ้ตัวนี้มันนั่งอยู่ไอ้ตัวนี้มันยืนอยู่มันเดินอยู่มันนอนอยู่ตัวนี้มันหายใจออกตัวนี้มันหายใจเข้าตัวนี้มันยิ้มตัวนี้มันเครียดตัวนี้มันเก่า ใครเก่าแล้วบ้างยกมือซิที่มานั่งอยู่นะหลวงพ่อเห็นเแยงเลยเลยเชื่อเลยว่าบรรผู้ดุลเราคงมาจากลิงนะยุกยิกยุกยกนะเออทาไมต้องเกา่าเพราะมันทุกข์ใช่ไหมเนี่ยที่ผ่านมาคันก็เกา่าหายหายคันละไม่ทุกข์ละยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี่เกา่างั้นต่อไป น, นี้นะคันขึ้นมารู้ว่าคันนะจะได้เห็นว่าโอ้นมันทุกข์ละแล้วค่อยเกา่าเมื่อยล้วก็รู้ว่าเมื่อยนะแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ เนี่ยคยรู้สึกงี้นะน่าจะเห็นร่างกายเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกพารู้สึกมันไปถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูร่างกายแต่ถ้าดูกายก็ไม่ได้นะบางทีจิตฟุ้งซ่านแหลกลานเนี่ยทําสมถะกลับมาทําสมาธิใหม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่พุทโทสองทีหนีไปคิดเรื่องอื่นละนะกลับมาใหม่นื้ขึ้นได้เอาใหม่มาใหม่พุทโทใหม่นะก็ฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆพอใจมันมีแรงก็ลกลับมาดูจิตได้อีก งั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะนะไม่ใช่ว่าปล่อยตามยถากรรมค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันนะเนี่ยคือการฝึกจิตใจของเราแล้วตอนไหนมันฟุ้งซ่านก็ฝึกให้สงบถ้าสงบแล้วก็ไม่สงบเฉยไม่ขี้เกียจฝึกให้ใจมันตั้งมั่นถอดถอนขึ้นมาเป็นคนรู้คนดู ดูอะไรดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายยิ้มดูร่างกายหน้าบึง้งดูด้วยความรู้สึกไม่ต้องดูด้วยตานะหรือเห็นนะความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นในร่างกายนะมันปวดมันเมื่อยอะไรเงี้เกิดขึ้นกะ็รู้สึกเอาหรือเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้สึกเอาหรือว่าเห็นว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะ ความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่ค่อยๆฝึกไปกรรมฐานจริงๆไม่มีสายนะไม่มีสายว่าสายกายสายจิตเลยนั้นนั่นแค่จุดตั้งต้นในการหัดเท่านั้นเองว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นแล้วไม่มีสายกายสายจิตหรอกบางขณะรู้กายก็เห็นใจรักษของกายบางขณะรู้จิตก็เห็นใจรักของจิตบางขณะรู้กายไม่ได้รู้จิตไม่ได้ทําความสงบไว้ ทำอะไรไม่ได้ทําความสงบไว้ก่อนดีกว่าฟุงา้งซ่านนะเนี่ยหลงพ่อก็ฝึกหลวงพ่อมาอย่างนี้ยครูบาอาจารย์ก็สอนสืบทอดกันมาแบบนี้แหละงั้นพวกเราก็รับทอดธรรมะเอาไปนะแล้วไปหัดภาวนาทุกวันทุกวันแต่ว่าต้องถือศีลหนะ้าศีลห้าข้อเอาไว้ก่อนถือได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าไม่ถือเลยนะศีลบางคนบอกว่าว่าถือให้ดีไม่ได้อย่าไปถือเส้ยดีกว่า อุตสามาปฏิญาณตัวถือศีลแล้วก็ถือไม่ได้เป็นคนเลวนะไอ้ไม่ถือเลยเร็วกว่านะถือบ้างก็ยังดีบ้างเวลามันขาดไปก็เร็วนิดหน่อยนะเีนืมาต่อเอาใหม่ถ้าไม่ถือเลยก็เร็วตลอดเลยงั้นศีลขาดดีกว่าไม่มีศีล น, นะงั้นตั้งใจถือไปเรื่อยๆทุกวันต้องฝึกนะวันไหนฟุ้งซ่านฝึกทำความสงบหลักของการทาความสงบก็คือ ใช้ใจที่สบายสบายไปรู้อารมณ์สบายสบายอย่างต่อเนื่องรู้ไปสบายสบายถ้าวันไหนมันสงบดีแล้วนะแต่ใจยังเดินปัญญาไม่เป็นนะไม่ยอมเดินปัญญาเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนนะเราก็คอยรู้ทันทำกรรมฐานไปหายใจไปจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันแจดไว่ตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นแล้วเราก็ดูกายดูใจทางานถ้าดูไม่เป็นจะดูยังไงดูไม่เป็นดูร่างกายก่อนก็ได้นะ เขา่างกายมีให้ดูอยู่ตลอดเวลาถ้าจะให้บอกให้ไปดูจิตเนียวหาไม่เจอแต่บางคนนะั้นหลวงพ่อเปลี่ยนภาษานิดนึงบอกให้รู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้ได้ไหมตอนนี้สุขหรือทุกข์รู้ได้ไหมตอนนี้โลภหรือโกรธหรือหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้สึกได้ไหมไ ม, ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเคยโกรธไหมโกรธตอนไหนบ้างโกรธตอนเทศไม่รู้จักเลิกนะอย่างนี้บางคนโกรธนะ การจะมาฟังเทศนะแต่อยากให้เทศสั้นๆบางคนก็โกรธอีกนะเทศสั้นๆก็โกรธอีกนะเอาใจยากนะโยมเนี่ยเทศยาวก็โกรธเทศสั้นก็โกรธอยู่โกรธเป็นไหมโกรธรู้ว่าโกรธยากไหมเห็นจะยากอะไรเลยมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ฝึกไปได้เราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้ว ร่างกายเป็นยังไงกวารู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกถ้ารู้สึกใจได้รู้สึกที่ใจิตใจก่อนเช่นมองเห็นผู้หญิงสวยเดินมาใจชอบรู้ว่าชอบนะถ้าดูใจไม่เป็นนะเห็นผู้หญิงสวยเดินมานะหน้านี่ร้อนเผาเลยเพราะราคามันพุ่งไปรู้สึกเอาที่ร่างกายโอ้เน็ตกำลังร้อนไปทั้งตัวแล้วเพราะราคาเกิดดูจิตไม่เป็นนะดูกายออกหรือนะ เห็นศัตรูมาใจมันโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยดูใจได้ดูใจถ้าดูไม่ออกว่าโกรธไม่โกรธนะแต่ตัวกําลังสั่นนะนะถ้ามึงเข้ามาใกล้อีกเก้าเดี๋ยวกูจะเตะแล้วนะเนี่ยเห็นตัวเองกําลังเลือดขึ้นหน้าเลยยังรู้สึกที่กายงั้นถ้ารู้สึกที่ใจได้ก็รู้สึกไปถ้ารู้สึกใจไม่ได้ก็รู้สึกที่กายอ๋อนะถ้ารู้สึกไม่ได้ก็ทําสมถะพุทโธพุทโธไปไม่ทิ้งหลบเล่าฝึกอย่างนี้นะแล้วถึงเวลานมรผลมันจะเกิด เวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะเป็นเวลาที่เราไม่ได้จงใจเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าอริยมรรคจะเกิดถ้าคิดว่าอีกนิดนึงจะถึงอีกนิดนึงจะถึงมันจะไม่เกิดเลยมันจะฟุง้งซ่านแทนงั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเราไม่ได้เจตนาพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าไม่มีใครบังคับจิตหรือสั่งจิตนะให้บรรลุมรรคผลได้จิตเป็นของจิตเอง หน้าที่เราก็คืออบรมมันไปเ้ื่ยอบรมมันด้วยการรักษาศีลด้วยการฝึกสมาธิด้วยการเจริญปัญญาอบรมไปให้มากมากถึงเวลาแล้วอริยมรรคจะเกิดเองถ้าคิดว่าจะเกิดมันจะไม่เกิดนะคิดว่าอีนิดนึงจะเกิดแล้วไม่เกิดเลยมันเกิดเนี่ยไม่ได้ตั้งหลักครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังนเอยชื่อได้ท่านไม่อยู่ละหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธน่ะ ท่านเทศอยู่เหมือนที่หลวงพ่อเทศอย่างเงี้ยท่านเทศเทศเทศอยู่นะอยู่อยู่จิตท่ารวมไปตัดกิเลสนะท่านบอกว่ามันขาดสะบั้นวนธรรมะกําลังเทศอยู่นะระหว่างที่สแสดงธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลเป็นบุญนะมีบุญการถ่ายทอดธรรมะเป็นบุญขนาดนี้พวกเราเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลใช่ไหมเรามีความสนใจเราตั้งใจฟังธรรม ด้วยความเคารพเอย่ยใจเราเป็นกุศลงั้นจิตเราเป็นกุศลอยู่แล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาคอยสังเกตไปเรื่อยๆอรีมักเกิดได้ไหมขนางฟังธรรมเกิดอร ะ, ะมักได้ไหมได้ในสมัยพุทธกาลเยอะแยะเลยใช่ไหมบอกพุทธเจ้าเทศน ะ, ะเทศจบว่พภิกสู่ห้าร้อยองค์เป็นพระอรหันต์หรือหรือว่าอุบาสกคนนี้ได้โสดาอะไรเนี่ยเขาได้ดวยการฟังเนี่ยนะ ฟังไปด้วยใจเป็นกุศลนะแล้วก็มีสติตระลึกรู้ไปดูของจริงไปได้นหนูพระพุธเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นชนะกิเลสบนธรรมะมันไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเลยนะเทศเทศเทศอยู่จิตรวมปุ่ขาดไปเลยพอขาดไปแล้วเนี่ยท่านรีบจิตมันถอนออกมาแล้วท่านรีบนึกเลยว่าคิดเทศถึงประโยชน์อะไรรีบนึกย้อนหลังเลยเพราะว่ามันขาดแล้วมันลืมสนิทเลยนะ รีบนึกแล้วนึกออกท่านเทศต่อไม่ท่านบอกไม่มีคน ร, รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่คล้ายๆเว้นวักนิดเดียวเองเนี่ยเหมือนเว้นวักเนี้ยแค่นี้เองใช้เวลานิดเดียวขนาดนี้เองงั้นเราไม่รู้หรอกว่าอาริยมรรคจะเกิดเมื่อไร่ถ้าอินทรีเราแก่กล้าตรงไหนนั่นก็เกิดตรงนั้นเหมือนจะออกลูกนะถ้าไม่ไปหาหมอว่าจะเกิดตอนนั้นตอนนี้ไปเผาออกอะบางทีนั่งรถแท็กซี่อยู่ยังออกเลยเใช่ไหม เราไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนอ่ะถ้ารู้ก่อนว่ามันจะออกตอนนี้คงไปเข้าโรงพยาบาลก่อนหรอกนะอริยมรรคก็เหมือนกันนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดตอนไหนงั้นทุกๆเวลาเนี่ยมีค่าสําหรับเราตลอดเวลานะงั้นอาริยมรรคอาจจะเกิดได้งั้นอย่าไปทิ้งเปล่าๆค่อยๆรู้สึกตัวไปรักษาสี่ห้าไว้รู้สึกตัวไปดูกายทํางานดูใจทํางานไปเรื่อยนะเห็นเลยร่างกายมีแต่ทุกร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เห็จิตใจไม่เที่ยงจิตใจไม่ใช่ตัวเราดูบนะ่อยๆถึงเวลาแนละ้วก็บรรลุเองจะได้บรรลุด้วยตัวของเราเองนะแล้วเวลาบรรลุแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วล่ะอย่างเราได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะไม่มีพวกเรารู้สึกไหมเวลาที่เราคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดนะมีเราเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดคิดไปนะ มีเราซ่อนอยู่อีกทีไปลองสังเกตดูนะผู้ทุกชนจะมีอย่างนี้ทุกคนอ่ะนะนะบางคนบอกได้โสดาแล้วแต่ว่าเราซ่อนอยู่นี่ไม่ยอมดูนะไม่เห็นเราคิดว่าได้อันนี้ไม่ได้หรอกวันดีคืนดีมันแรงขึ้นมาก็ตัว อ, อีกว่าความเป็นตัวตนยังมีอยู่ยังเห็นขันห้าเป็นตัวเราอยู่โดยเฉพาะยังเห็นจิตเป็นตัวเราอยู่ค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปนะะกิเลสมันก็ถูกลดถูกละไปเป็นลําดับลําดับ แต่ได้สุ้าหนักคาเนี่ยมันจะไม่ยึดในกายแล้วถ้าเป็นพาาระอรหันเนี่ยไม่ไม่ยึดที่จิตลนะปล่อยวางจิตถ้าปล่อยวางจิตดวงเดียวนะก็คือปล่อยวางขันทั้งหมดเลยปล่อยวางโลกทั้งหมดเลยเพราะขันทั้งหลายปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี่เองอาศัยจิตดวงเดียวนี่เองสร้างขันห้าขึ้นมาโลกทั้งโลกเนี่ยแสดงตัวออกมาปรากฏออกมาก็อาศัยจิตดวงเดียวไปรู้นี่เอง ไปรู้โลกผ่านตาบ้างผ่านหูบ้างผ่านจมูกผ่านลินผ่านกายผ่านใจบ้างนะก็จิตนี่แหละแล้วเราค่อยๆฝึกไปถ้าวันใดที่ปล่อยวางจิตได้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นเรียกว่าพ้นทุกข์กนะ็ดำรงชีวิตต่ตอไปจะร่างกายแตกดับร่างกายดับเนี่ยก็เรียกว่าดับทุกข์ถึงวันที่ดับสนิทแห่งทุกข์นะนั่นอย่างพระอราหันต์เนี่ยตอนมบรรล้พระอราหันต์เนี่ยท่านพ้นทุกข์ใจท่านพ้นจากขัน คนจักกานยตในรูปนามคนจักขันคนอายตนะไม่ยึดถือวันที่ตายท่านดับสนิทแห่งทุกข์ดับขันดับขันปรินิพานดับขันในสุดขันมันดับไปคนทั่วไปได้ยินว่านิพานแล้วดับขันนี่กลัวเหงั้นบางทีพวกเดรัฎีนะโชว์อากาศเลยว่านิพานเป็นโลกโลกหนึ่งยังมีขันอยู่เนีเพราะว่าปัญญาไม่พอ ถ้าสติปัญญาพออย่างพวกเรานะค่อยดูกายดูใจเรื่อยๆเราเห็นแต่มีแต่ทุทกข์ใช่ไหมกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์ใจนี้เต็มไปด้วยทุกข์ถ้าอย่างนี้เราไม่เสียดายขันนะถ้ายังมีขันอยู่ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีขันนะ่ะไม่มีทุกข์เั้นเวลาคิดถึงภาวะที่สิ้นขันนะพระอรหันต์เนี่ยจะร่าเริงนจะไม่ห่อเหี่ยวอย่างพวกเราคิดว่าร่างกายจะตายอยานี้นห่อเหี่ยวใจรู้สึกสูญเสียเราะอะไรเพราะเราปัญญาเราไม่พอเราคิดว่าของดีของเราจะตาย แต่ถ้ารู้ว่าตัวทุกข์จะตายใจไม่ห่อเหี่ยวหรอกฉนั้นเรียนรู้ความจริงของรูปนาำกายใจเรื่อยๆไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงนะมันคือตัวทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทยัยไม่ไปอยากไม่ไปยึดมันอีกต่อไปละมันก็พ้นจากมันความทุกข์หรือขันมันก็มีอยู่กับโลกแต่ใจไม่ไปหยิบฉวยมาใจไม่ทุกข์ด้วยก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์อยู่ไปจนขันมันแตกขันมันดับไปก็ดับสนิทแห่งทุกข์ เนี่ยจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่ภาวะแห่งการสูญเสียนะ่ะเป็นภาวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นภาวะที่ร่าเริงเราฝึกพวกเราดีขึ้นมากแล้วนะดีขึ้นมากแล้วค่อยๆฝึกไปหลวพ่อจะขึ้นมาเทศทางนี้อีกไม่กี่รอบหรอกปีหนึ่งก็มาสองทีสามตีมั่งจําไม่ได้ปีหน้าจะมาอีก ปีถัดไยว่าจ ะ, กะเกษียณสัทีแะเอกยืนเข้าแถวขึ้นเรือบินไม่ไหวแล้วเรือบินคนมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นทุกทีแล้วก็ฟัง cd เอานะฟัง cd แล้วที่เทศเทศไปเนะมีมากแล้วถ้าสงสัยปัญหาข้อใดไม่ต้องไปถามใครก็ได้ถ้ามีข้อสงสัยนะหยิบ cd ดีมาแผ่นหนึ่งนะ ยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าอยากได้คําตอบแล้วไปเปิดฟังรับรองว่ามีนะกันใดเขามีทุกการนะเพราะเทศเรื่องเดียวทุกวันใคร้ใกลฝึกไปพึ่งตัวเองให้มากพึ่งคนอื่นให้น้อยนะพึ่งคนอื่นอันตรายมากเลยเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรสอนเราถูกเราไม่รู้นะอย่างหลวงพ่อสอนให้นะ พวกเราอย่ามาตั้งหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์นะพาะเราไม่มีภูมิที่ามารู้หรอกว่าเป็นอะไรหน้าที่เราพาวนาแล้วพอนาแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงไม้มเราเห็นด้วยตัวเองได้เราถือจะเข้าใจว่าหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าตัวเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่รู้หรอก ไ, ไม่รู้จากหลวงพ่อหรอกเห็นแต่หน้าค่อยๆฝึกไปไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูของจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจเรื่อยๆไป ของจริงคือรูปนามกายใจจะสอนธรรมะเราวันใดที่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงเพราเรานี่แหละเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ได้รู้ด้วยตัวของตัวเองแต่ต้องไม่อคตินะไม่ใช่เแล้วใช่แล้ ว, ลวใช่แล้วเ ช, ชื่อเลยต้องสังเกตกิเลสค่อยๆสังเกตกิเลสไป ถ้าเป็นพระโสดาเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าขันห้าเป็นเราไหมมีเราซ่อนอยู่หลังความคิดไหมถ้าเป็นพระนาคาเนี่ยกามและปฏิฆาคือความพอใจและความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสยังมีไหมใจยังกระเพื่อมหวั่นไหวเพราะรูปไหมใจยังกระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสไหมนะถ้าเป็นพระนาคาไม่กหวั่นไหวและวแต่กายหวั่นไหวนะ อย่างถ้าลมหนาวโกรกมาเนี่ยกายหวั่นไหวอย่างนี้มีนะแต่ใจไม่หวั่นไหวค่อยๆฝึกถ้าเป็นพระอรหันะจิตมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึ่งไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นอิสระเเปลี่ยนไปค่อยๆฝึกแล้วบินยูชนจะรู้ด้วยตนเองแต่อย่าเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันสังเกตวิธีสังเกตนะให้สังเกต สังเกตกิเลสเนี่ยว่าล้างได้หรื อ, อยังยให้สังเกตตอนที่จิตใจเป็นปกติจิตใจเป็นคนธรรมดาอย่าไปเข้าสมาธิอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วบอกว่าให้ดูกิเลสสิไม่เห็นมีเลยคนธรดาเฉยคนชมเฉยเห็นสาวสวยเฉยเห็นได้รเฉยหมดเลยเนี่ยก็ทําใจอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีกิเลสตรงไหนเลยมีโง่เล่ะ <laughs> นั่งแต่งอยู่แท้ๆเลยไม่เห็นน่ะนะตัวอะไรหัวลาะตัวหลงหัวลาะตอบถูกแล้วทีแรกตอบทางทฤษฎีร่างกายรูปหัวล้อโถมันมาหลอกกันนะตัวหลงหัวลาะต่างหากล่ะใช่ไหมอ้าวส่งเงินบ้านมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วครูบาจารย์ท่านหลวงว่ายมติดนิ่งติดเฉยเจ้าค่ะอะไรนะ ติดนิ่งติดเฉยเจ้าค่ะออแล้วก็จิตไม่เคลื่อนเจ้าค่ะมันไม่เฉยอย่างแต่กอละละ่อนแล้วล่ะรู้สึกเป่าใจมันเบาวกว่าเก่าเห็นไหมออยังเคลื่อนไหวได้ถ้าใจติดนิ่งจิตเฉยไม่ทื่อๆนิ่งๆไปเจ้าค่ะตอนนั้นมันโมโหบ่อยอ่ะเจ้าค่ะเพราถ้าโมโหอะถูกโมโหครอบไว้สิะ นี่ถ้าเรารู้เห็นไหมโมโหมาแล้วไปโมโหมาแล้วไปอย่างนี้เราเดินปัญญาอยู่นะเระาเห็นนะโมโหไม่เที่ยงโมโหบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปรู้สึกไหมเออถ้าเห็นอย่างนั้นเห็นถูกไปดูบ่อยๆโมโหก็ได้นะก็จิตมันยังมีโมโหอยู่ก็รู้ว่โมโหเอาเหมือนที่พระเจ้าสอนดูค ร, รัาภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะนะ รู้ไปอ้าววันนี้ก็ตื่นเต้นใหญ่แล้วรู้สึกสำนึกผิดไหมมันไม่น่ามาจับฉลากการนมัสการค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่มาส่งกันบ้านฟังเทปเสียงของหลวงพ่อมาได้ประมาณเจ็ดแปดเตือ น, นะคะ่ะตอนที่เห็นเนือนทำอย่างนี้ก็เก่งแล้วนะอตอนที่เห็นสภาวะมันยังไม่แปลออกมาว่าคนละส่วน คนละอันกันค่ะสราพว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยไม่มีแปลหรอกมันมาแปลที่หลังค่ะนย่าตาเรามองเห็นเนี่ยเห็นที่แรกไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะมันมีจังหวะของมันนิดนึงรู้สึกไหมน้ำค่อยแปละก็ะแปลว่าอันนี้คืออันนี้แล้วมีจังหวะอีกนิดนึ่งถือจะชอบไม่ชอบขึ้นมาน ะ, ะใจมันเป็นอย่างนั้นนะทํางานเป็นสเต็ปสเต็ปไป เฝ้ารู้เฝ้าดูเราก็เห็นมันทำงานได้เองเห็นไ้ยมันทำงานได้เองใช่ค่ะใช่ต้องใช่ค่ะแต่เมื่อคือนนี้มันรู้สึกอยู่แวบหนึ่งค่ะว่าจิตที่กำลังสวดมนัมันคนละส่วนกับร่างกายใช่ค่ะนั่นแหละถูกแล้วอย่างนี้เรียกว่าแยกขันได้แยกรูปนามได้ค่ะร่างกายเป็นตัวรูปจิตเป็นคนรู้เป็นตัวนามเป็นคนละอันกัน แยกรูปนามได้เนี่ยเป็นชุดตั้งต้นของการเดินปัญญานะสำคัญมากแยกไม่ออกจเจริญปัญญาไม่ได้กราบข อ, ขอการบ้านเพิ่มค่ะอย่าอยากให้มันแยกนะ <c oughs> ถ้าอยากมันจะไม่แยกแล้วก็ส่วนมนของเราไปเรื่อยๆมันเคยแยกแล้วเดี๋ยวมันแยกง่ายค่อยๆฝึกไปค่ะแล้วก็เพิง่งถามโยมนิดอีกปากเก่ามากเลยด้ <c oughs> านหลวงพ่อคะ่ะ โยมก็ทำในรูปแบบเช้าเย็นค่ะก็ระหว่างวันก็ดูกายดีแล้วละโยมารู้สึกไหมใจมันเปลี่ย น, นมีความสุขเนา ะ, ะมีความสุขดีฝึกอีกกลับมัดการครับส่งการบ้านครั้งแรกครับก็ รู้บ้างหลงบ้างแต่หลงนานครับให้ายารู้บ้างหลงบ้างดีนะ<ง>อย่าหลงนานหลงนานเพราะเราไม่มีเครื่องอยู่เราต้อนงะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เช่นมีพุทธโธให้จิตอยู่มีลมหายใจให้จิตอยู่นะพอจิตมันหนีไปเราก็จะรู้ว่าหนีไปแล้วนะจะได้ไม่หลงนานงนะั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปแต่ของโยกก็ใช้ได้นะรู้สึกไหม ขันมันแยกได้รรู้สึกคับมันแยกขันแล้วลวนะแต่อย่างนี้เพ่งขันนะดกออกไหมออไม่เพ่งนะให้มันแยกเป็นธรรมดาแล้วดูมันทำงานไปด้วยดวออกหรือยังว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละดีเจริญปัญญาแล้วดีไปทำต่อขอบพระคุณครับไขนวทตการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านเป็นครั้งแรก แล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาชัวระยะเวลาประมาณหนึ่งละมีข้อสงสัยก็คือตาบเท่าที่ฟังซีดีเนี่ยจะพูดแยกธาตุแยกขันอันนี้คือผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นการที่เรานึกเองหรือเปล่า อ, อย่างเพราะเวลาผมปฏิบัติเนี่ยอย่างนั่งสมาธิมันจะมีคล้ายๆกับว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วผมก็จ ะ, อ, ะอันนี้มันเวทนานะก็บางทีอย่าง ปฏิบัติมากก็จะเพ่งเพ่งลงไปเพ่งลงไปพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันหายไปขาเหมือนกับว่าเป็นท่อนไม้มันก็จะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็เฉยๆเป็นท่อนไม้มันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเราเข้าใจไปเองหรือเปล่าไหมครับว่ามันไม่มันไม่ใช่ตัวเราอะไรพวกนี้อะครับของโยมนะมีจุดอ่อนคือจิตมันชับฟุ้งซ่านนะครับมันวิเคราะห์มากไปครับ ดังการที่เราเห็นนะเราเห็นจริงจริงแต่เราก็ยังลังเลสงสัยอีกใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ะดูลองปัจจุบันไปครับโดยตัวเองนะขันก็แยกได้นะครับผมมันก็แยกแต่ว่าเราไม่ต้องไปค้นคว้าแยกยังไงแยกยังไงนิสัยชอบช่างค้นคว้ามากไปครับผมนะอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจิตถึงฐาน เ น, นี่ยไม่สงสัยทุกเรื่องเห็นไหมค <laughs> ือฐานว่าอยู่ตรงไหนหมาถึงไ ม, ไม่มีเอาจิตเข้ามาอยู่ในตัวเราเองหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ใชรู้จักจิตที่ไหลไปไหลามาไหมอันนี้รู้ครับเออตรงขนาดที่รู้ว่าจิตไหลอ่ะขนานั้นถึงฐานคืออย่างนั่งอยู่ตรงนี้ฟังฟังหลวงพ่อเทศผมก็รู้ว่าตอนนี้จิต ไปฟจิตวิ่งที่หลวงพ่อวิ่งไปคิดใช่ไหมฟังวิ่งมาดูบางทีก็ดูหน้าหลวงพ่อบางทีเขาฟังฟังแล้วก็สลับไปคิดเนี่ยเรารู้ฐานจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะรู้จักว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่กลางๆลางจะมาชี้ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะจะเพ่งดันดีเลยครับตอนนี้ก็เพ่งไปอยู่ล้วใช่ อย่างนี้รู้ทันอย่างนี้นะของโยมมีจุดออนช่างคิดเกินไปครนะถ้าเราไม่ยอมจํานวนกับตัวนี้นะเฝ้ารู้รูปรู้รนำอย่างที่เขาเป็นไปเงงรื่อยง ง, งยรู้ว่างงสงสัยรู้ว่าสงสัยก็เห็นว่างงเกิดดับสงสัยเกิดดับเลยก็คือแค่นั้นเองแค่นั้นเองอย่างเวลามีความรู้สึกโกรธก็ก็รู้รู้ว่ า, วาตัวเองโกรธใช่แล้วมันก็หายไปเองเอแล้วก็เห็นไหมโกรธไม่เที่ยงครับแล้ว มันก็คิดอีกว่าเอ๊ะมันเกิดจากเราแก้ปัญหาเองหรือเปล่าคือเราไปสนใจอย่างอื่นแทนให้รู้ต่อเลยว่าฟุ้งซ่านอีกแล้วอ๋อครับผมอย่าลืมนะท่องไว้เลยคาถาเนี้ยฟุ้งซ่านอีกแล้วครับเพราะมันจะมาต่อท้ายทุกเรื่องนะเฮ้ยโอแบบมันต่อท้ายทุกเรื่องเลยจาไว้นะฟุ้งซ่านอีกแล้วรู้ทันเป็นจุดอ่อนของเราครับผมนะขอบน้มสักการค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านดีนะที่เนี้ยครั้งแรกเยอะเลย บางแห่งปรเทศนะมันคนเดิมทุกทีเลยเะยอ่ะก็พยายามดูจิตนะคะให้มันคล่องแคล่วแล้วเดี๋ยวนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์แล้วก็ว <c oughs> ใจมันเปลี่ยน <c oughs> ใจมันโปร่งมันเบามันสบายนะสบายขึ้นเราเห็นไหมตัวอย่างมันชั่วคราวรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปรู้สึกค่ะแล้วก็ช่วงก่อนก็เบื่อหน่ายซึมเศร้าแต่ตอนนี้มันออกมาจาก เใช่เราไม่ให้มันครอบนะก็ะะรู้สึกมีปิติแล้วก็ถ้าปิติเกิดขึ้นเราก็ไม่ให้ปิติครอบใจเราอีกใช่ก็ส่วนมากจิตจะเข้าไปพิจารณาเองนะคะปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตัดตรงภาษามาเวทนาเ น, นี่ยคะ่ะเขาจะตัดความเป็นมีอกุศลจิตจะตัดออกไปบ้างค่ะเขาตัดเองไม่เป็นไรใช้ได้เแต่ถ้าคิดแล้วตัดนะใช้ไม่ได้ โสดใสแล้วแล้วทำไงทาถูกต้องถูกแล้ ว, ล, วล่ะทาถูกแล้วนะทําสม่ําเสมอใังเจียรติไหมจิตมีปิติมีค่ะมีปิติรู้ว่ามีปิติไหมปิติมาเองรู้สึกไหมไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญเมาเองนะมีปิติก็ไม่ให้ปิติครอบงําใจนะมีความเศร้าก็ไม่ให้ความเศร้าครอบงําใจ ไม่ปล่อยให้อะไรครอบงำใจเราะดูมเข้าไปตรงๆเลยแล้วมันจะอถ้าถ้ายกไหมหน่อยขอโทษถ้ามีความรู้สึกเออ่มันจะเห็นมันจะเข้าใจในสายปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่แต่เราเห็นปฏิจจสมุปบาทช่วงปลายนะใช่ค่ะมันยังไม่ถึงไม่เห็นหรอกช่วต้นอ่ะไม่เห็นช่งต้นกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดได้เราแจ้งก็เป็นพระอรหันต์เลย แต่ก็ไม่ีความรู้สึกว่ามันจะมีแวบๆเข้ามาคือตัวรู้ไม่มีอะไรไม่มีแต่มันไม่ค่อยใช่ตัวนั้นปัญญาล้ำหน้าปัญญาร้ำหน้าไปแล้วให้รู้ทันแล้วก็ดูเนี่ยนะมีภาาัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมีทุกข์ดูตรงนี้แหละในตัวที่ตัดระ้ว่างอะไรต่ไม่เอาดังนั้นเราปัญญาร่ำไปมันแอบไปตัดเอง <laughs> มันพิจนามันมันรู้แล้วถ้ามาตรงนี้เดี๋ยวมันจะไป่างนี้นะไม่ให้มันไปแล้วดูตัวนี้ขาดตัวนี้สบายแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> อย่างนี้มันรับหน้ากด <c oughs> ไปหมดแล้วยังนี่เวียนกรรมมาถึงละกล่าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นมาสการทักค่ะ ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาสองเดือนนะคะเอางี้เธอไม่ให้ตื่นเต้นมากหลวงพ่อบอกก่อนพอวนาใช้ได้แล้วอ่าว่ามาคือคือคือคือเวลาร่างค่ะจิตมันนิ่งค่ะกายวิมาดูดูกายกายก้นนิ่งมันติดเพ่ ง, งมันเพ่งมันเพ่งให้นิ่งๆไปนะ่ะแล้วบางทีนิ่งบางทีนั่งทํางานหรือนั่งจดจอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันจะแวบไปเห็นอีกเอานี้เมื่อกี้เราหนังอีภพหนึ่งแต่ทําไมมันกลายเป็นอีภพหนึ่งก็ดึงกลับใช่ให้ไม่ต้องดึงอะแค่รู้ว่าภพมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นไปเองรู้สึกไหมมันเป็นไปเองค่ะเป็นบ่อยมากนั่นแหละไปดูมันมันเป็นไปเองและให้เห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเป็นไปเองความรู้สึกทุกชนิดชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดเป็นไปเองดูอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่โจมมาหนิว่าจะถามอะไรเลยลืมหมดเลยตื่นเต้นตั้งแต่เขียนชื่อแล้วแล้วก็น้ำตาร่วง เ, เห็นร่างกายไหมเห็นร่างกเห็น่อ น, นไนรู้สึกไปรู้สึกนั่นแหละดีแต่ไม่รู้สึกด้วยใจทื่อๆนะรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ใจทื่อๆไปขายอมจะติดใจทื่อๆไปนิดนึง มันไม่เกิดปัญญาแล้วค่ะเออตัวนี้อยู่อย่างนี้ไม่เดินปัญญานะให้ใช้การคิดพิจารณาเอานะเห็นร่างกายมันทำงานนะเห็นมันเป็นไปเองเห็นความรู้สึกทั้งหลายมันทำงานมันเป็นเพีองค่อยๆสอนมันนะใ่มันจะได้เคลื่อนออกมาเดินปัญญาไม่งั้นจะติดนิ่งติดเฉยไปมันติดเพ่งเนี่ยหลวงพ่อก็ทำเป็น <laughs> ทำไงดีครับบางทีมามานั่งนั่งปฏิบัติอะค่ะกำหนดพุทโธอะค่ะพอพอพอหายใจเริ่มเข้าไปพูททุดีค่ะมันจะขึ้นไปไปแล้วบางทีเราไม่ไม่ลองไม่หายใจลงมันมันกระจายอะค่ะตีขึ้นมันติดสมาธินะสมาธิลมมันเบาลงเบาลงมันเหมือนไม่หายใจอะมันออกไป ทะลุหัวใช่ทะลุหัวไปหมดทะลุไป้เอ๊เราหายใจลงมาหรือยังเนี่ยอย่างเี้ยเขาดิค่ะก็เลยไม่ไม่ทราบจะไปทำใครจะสร้างบ้านแล้วจะตั้งศาลพระพรหมนะมาจองไว้ก่อนเลยต้องติดสินบนว่าจะให้กินไข่ต้มให้กินมะพร้าวเนี่ยเขาเตรียมจะไปพรมโลกอย่างเดียวเลยไม่เอานะ ใครดูร่างกายให้เยอะๆพิจารณาเลยคิดพิจารณาเลยนะร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์เนี่ยพิจารากายให้บ่อยๆใช้การคิดพิจารณานะเราจะหลุดจากที่ติดตัวนี้ได้สมาธิดีมากๆเลยสมาธิเยอะแต่จิตไม่เดินปัญญาไปไม่ถูกเนไปไม่ได้มันต้องย้อนมาพิจารณาร่างกาย ใช้พิจารณากายแล้วแต่ไปจิตมันจะกลับมาเดินปัญญาถ้ามันเดินปัญญาแล้วไม่ต้องพิจารณาจิตมันจะพิจารณาของมันเองแล้วแล้วบางทีนั่งแล้วเราไปไหนไม่รู้ค่ะโอ้เห็นแต่เมฆก้อนขาวหมดมองซ้ายมองขวาเอ๊้ผู้คนหายไปไหนหมดโอหายไปใครที่ไปอยู่บนเมฆเหรอ <laughs> ้อนขาวเนี่ยกลับมาที่ร่างกายดูกายไว้นะเอพิจารณาร่างกายแปดทีละสว่วนทีละส่วนเนี่ย เป็นของไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวตั ว, ตวทุกอะไรเงี้ยคิดไปคิดในร่างกายเนี่ยเป็นส่วนๆไปตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวคิดขึ้นคิดลงนะเนี้ยจิตมันจะกลับมาที่กายไม่หลุดตอกไปปร่มมโลกเางนี้อีกหน่อยก็จะเรียกไปเฝ้าโรงแรมอ่ะให้คนอื่นบ้างกราบนลมัสการหลวงพ่อค่ะ อ่ารงข้างบ้านครั้งแรกนะคะตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ค่ะเออทำถูกเต้นเต้นรู้ว่าเต้นเต้นคืออยากจะรู้ว่าปฏิบัติถูกทางไหมคะถูกก็แค่นี้ค่ะจริงจริงมันมันก็ไม่มีคำถามนะคะมันมันมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วค่ะทุกอย่างแต่แค่อย่างมาถามแค่นี้ค่ะ แต่ว่าเราต้องระวังอันหนึ่งนะเวลาเราเจริญปัญญาไปมันที่อะไรๆรู้หมดเลยนะมันรู้เองไปหมดเลยนะดังนั้นต้องระวังเหมือนกันที่มันเป็นวิปัสสุูอย่างหนึ่งนะ<อ>มันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะงั้นเราคอยกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจดูเขาทํางานไปสบายๆอย่าให้ปัญญามันล้ําไปรู้เหมือนกับปัญญามันจะล้มใช่ <laughs> มันแต่ จิตมันก็ชอบวิจารณาตัวเอง น, นมันล้ำไปมันเยอะไปใจใจเนี่ยมาโอ้มันถูกเรานะะให้พิณาธรรมะทั้งวันทั้งคืนเลยเ น, น, นี่ยมันเป็นวิปัสสนุอย่างหนึง่งโอแล้วค่ ะ, ะจิตไม่ไม่มีความสงบพอนะให้กลับมาทำความสงบบ้างก็ในรูปแบบนี้มันทำไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะแต่เมื่อกี้ได้ะคะ่ะพุโทโธพุโทโธไป ส่วนมากจะพุดโทสุดๆโทกรุณาพระมหานวมหลวงพ่อก็เคยใช้มันรู้สึกจะได้เมื่อกี้นี่เองค่ะได้ยังไม่เคยทำเพิ่งทําเมื่อกี้ก็ได้ะเวลาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อมจะพอนางง่ายอแปลกหะคฮะไม่แปลกหรอกเพราะว่าไม่กล้าฟุ้งซ่านอ๋อใช่ก็ของโยมโดยตัวเองมันช่างฟุ้งไปนะคะฟุ้งไหมมันฟุ้งนะคะใคร มันจะคิดธรรมะคิดอะไรไปเรื่อยๆค่<น>ะทั้งคืนเลยเอคะค่ะไม่รู้จะทำาไงเนี่ยหรากลับมาทำความสงบน ะ, ะพุทโธพุทโธสพุทโธสุสุโธก ร, รุนามันโนโวบริกรรมสบายสบายบริกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอือใช่บริกรรมไปเรื่อยๆ<น>ะจะดีขเข<อ>้าใจมีสมาธิขึ้นมาจะแก้ตัวนี้ตกอ๋อค่ะ รู้สึกว่าพุทโทวันนี้สองคนนีนะต้องเอามารวมกันแลหาร <laughs> คนนี้ติดสมาธิคนนี้เดินปัญญาล้ำไปแล้วสมาธิไม่พอปัญญาล้าใช่ค่ะสมาธิใช่ไม่โกหกหรอกส่วนว่าจะเห็นความไม่เที่ยงอะค่ะดีจะเห็นดีเห็นไม่เที่ยงก็ยังดีจะเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปจิตไหลไปแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นใช่ได้จะรู้ทันเร็วขึ้นค่ะแต่เราไม่ไปคิดธรรมะเป็นเรื่องๆแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ก็นานพอสมควรแล้วฮะสองสามปีได้แล้วมั้งฮะสองสามปีทำกับข้าวก็ฟังอ่ะขับรถก็ฟังค่ะไม่ไม่นั่นเลยค่ะจะฟังตลอดจนในบ้านลำคาญ ก็ฟังแต่ฟังว่าเราก็ฟังเป็นคราวๆไปฟังตลอดวันค่าคือมันคือคือคงจะเป็นความพอใจอ่ะค่ะอืความพอใจคงมีเยอะก็เอะสังเห็นไหมใจเราเคลิเคลินแล้วค่ะเผล่อแล่วรู้ทันนะอ่ะส่งต่อแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้ทําความสงบเข้ามาพุทโธสุสุโอบาริกมไป อบริกรรมนะไม่อยากสงบบริกรรมแล้วมันสงบเองถ้าบริกรรมแล้วอยากให้สงบไม่สงบหรอกกราบในมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายมาสองปีก่อนหลวงพ่อบอกว่าโยมดับด้วยสติแล้ให้ไปดูกายนะคะโยมก็กลับมาภาวนาเละเดินจงกรมโยมก็เห็นคือดูกายเคลื่อนไหวทั้งตัวนะคะ แล้วก็เวลานั่งสมาธิก็นั่งดูตัวนี้ลมหายมีลมหายใจอย่างที่หลวงพ่อสอนมีเวลาเดินจงกรมที่เห็นชัดอันหนึ่งก็คือที่เดินเราความอยากมันผุดขึ้นขึ้นที่หน้าอกแล้วมันก็รู้สึกมันมันหนักแล้วมันเป็นทุกข์อะค่ะหลวงพ่อที่มันก็เห็นเห็นว่าเห็นว่ามันมันบังคับไม่ได้มันเกิดเกิดเกิดขึ้นเขาก็เกิดเขาเองอะคะ แล้วก็มันไม่ชอบนะหลวงพ่อไม่ชอบแล้วตอนนั่งสมาธิก็จะที่ชัดก็เห็นว่าใจเนี่ยเวลามันมีไหวๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะสั้นๆออกไปอ่ะแล้วมั น, มนให้รู้ทันนะสะภาวะอะไรก็ได้นะแต่สภาวะเกิดแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันนะจิตมันยังมีปฏิกิริยา ยินดียินร้าไปเรื่อยะให้รู้ทันตัวนี้ค่ะต่อไปมันจะรู้ด้วยว่าเป็นกลางค่ะมันเลยมีชอบไม่ชอบอยากให้หายเใช่ความอยากเนี้ยใช่รู้ทันไปค่ใจไม่ไม่เป็นกลางได้มามันเดิอดปัญญยากต่อใจไม่เป็นกลางมันก็อย่างอยู่วนอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็ดูบันไปอย่างเงี้ยนะคะรู้ทันตัวเองรู้ทันรู้ทันความยินดีินร้ายค่ะ ทาต่อทำต่อเหมือนเดิมต้องดีกว่าเดิมนะที่ทำใหฟุ้งไปฟุ้งใไปขอบคุณเชี่ค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะโยมาครั้งแรกเจ้าค่ะใช้ได้นะรู้สึกเปล่าว่ากายกระใจคนละส่วนเนี่ยเจ้าค่ะรู้สึกไหมความรู้สึกกระใจก็คนละส่วนเจ้าค่ะขันมันแยกได้ละ ขันมันแยกได้แล้วต่อไปนี้เราก็เห็นขันมันทำงานไปเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานน ะ, ะสุดท้ายปัญญามื่จะเกิดกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรารตัวเราไม่มีมันเป็นเองนะแต่ตอนนี้มันยังเป็นเราอยู่ใช่ใช่ค่ะ<ม><อ>แล้วท่านอย่างนี้ตอนที่เรารู้คือยมเห็นว่าสิ่งที่มันผุดขึ้นมาล้วก็ยมไม่ได้ตั้งใจแต่เรารู้ กอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเรารู้เพราะเราแลเรามองเขาเราเลยรู้จริงใจจริงใจไม่ดีนะเจ้ค่ะแตให้รู้เองดีกว่าแต่ถ้ามันไม่ยอมรู้ล่ะถึงจะค่อยๆช้ำเหลืองาบางช่วงมันไม่ยอมรู้เลยเงี้ยค่อยๆแอบดูแต่ถ้ามันรู้ได้เองอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าไม่เผลอคือถูกเพราะฉะนั้นมันจะทําคื อ, ค อ, คอว่า สร้างสติขึ้นม า, <อ>าจนเป็นป อ, อัตโนมัติเจ้าค่านะแต่ตอนหลังเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ๊แบบนั้นมันไม่ใช่ลนะเออพอแต่ว่าพอเราปล่อยเจ้าค่ะเราเลยเห็นว่าแบบดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อืแต่พอเราไม่ดูเนี่ยเจ้าคา่ะไอตัวที่เคยรู้ๆคล้ายๆว่าความถี่ของการรู้เขาหายไปเยอะเลยปล่อยเขาไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแรกๆเราจงใจไว้ก่อนอนะ จนกระทั่มันเป็นสติอัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องจงใจใคล้ายๆประคองไปนิด ๆ, ดๆไปก่อน น, นิดเดียวนิดเดียวไม่ประคองเยอะประคองเยอะใจใจทื่ ๆ, ๆถ้าประคองจนใจทื่ๆใจแข็งๆเนี่ยนะผิดละลาเลิกเลยประคองนิดๆได้เจ้าะเพราว่าคร<ม>ูบาอาจารย์สอนนะว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ตึงไว้นิดหน่อยดีกว่าย่อนเพรย่อนแล้วมันหลงไปเลย ตึงเนี่ยนะพอมันหย่อนลงมาแล้วมันพอดีเพราะตอนนี้โยมปล่อยเลยเจ้าค่ะปล่อยเหมือนอย่างว่าให้ตอนนี้เหรอตอนนี้ประคองแหลกลานลูกชิวปรรอย่ใจแข็งไปเลยเนี่ยใจทื่อขนาดเนี้ยอืแต่ว่าเวลาปฏิบัติอะปล่อยปล่อยมากไปย่อมหมายถึงว่าคือโยมปล่อยให้เขารั่วได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่มันเดี๋ยวมันจะหลงนานอ๋อเจ้าค่ะ งั้นเมื่อต้อนะจงใจรู้สึกเปบ้างเป็นระยะระยะนะพอาเขารู้สึกได้ดีเราก็ไม่จงใจให้เขารู้สึกเองแต่ถ้าเขาจะเผลอยาวๆนะจงใจรู้สึกไว้ดีกว่าเพะตอนจงใจรู้สึกเรารู้ทันว่าจงใจมันจะคลายแล้วมันพอดีออเจ้าค่ะเจ้าค่ะครับขอบพระคุณเจ้าค่ะมัสกรารวงพ่อครับผมปฏิบัติไม่ค่อยเห็นสภาวะครับ เห็นร่างกายไหมครับตอนนี้ร่างกายถือไมลรู้สึกไหมเห็นครับร่างกายยิ้มรู้สึกไหมครับร่างกายไม่เคยหายไปไหนหรอกนะเหตุที่ว่าไม่เห็นสภาวะต้องมาดูกายสิไม่หายไปไหนหรอกเคยเห็นได้เห็นไหมตัวอะไรนั่งอยู่เห็นครับแค่รู้สึกสบายสบายไม่จ้องนะตัวนี้นั่งอย่างนี้อย่างนี้แรงไปรู้สึกสบายสบาย เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายกินข้าวเห็นร่างกายขับถ่ายเห็นร่างกายอาบน้าเห็นร่างกายเช็ดตัวแต่งตัวอะไรย่างเงี้ยรู้สึกกายบ่อยๆเอากายไว้เลยคเพราะกายมันไม่หนีไปไหนใจมันหนีดูยากเพิ่มเติมอะไรไหมครับผมแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่นี้ก็ดูทั้งวันแล้วจะดูกายไหม อายุเท่าไร่ล่ะเออถ้าอายุเกินห้าสิบเนี้ยต้องดูกายเยอะหน่อยนะเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยจะดูจิตนะบางทีดูไม่ออกนะอยู่เป็นแต่ว่าเราฝึกมาจนคล่องนะเพราะว่าสมองอายุเยอะขึ้นเนี่ยสมองมันเสื่อมโดยธรรมชาติที่นั่งน้ำใจลอยเออเออไปเลยก็มีนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ให้มารู้สึกกายไว้เท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะคนสักอายุสี่สิบแปดขึ้นเนี่ย ทิ้งกายไม่ได้นะต้องออกกายมาช่วยนะถ้าดูจิตอย่างเดียวไม่มีแรงกราบธรรมสก า, ร า, การครับหลวงพอ่อตอนนี้มันอยากมากเลยครับอยากมากก็ทุกมากครับยที่ธรรมนะถ้าอยากก็ทุกแหละมันอยากเพราะมันรักรักตัวตัวเองนั่นแหละกูเยอะเลยครับนั่นแหละมันรักตัวเองมันก็เลยอยากดีอยากพ้นทุกอยากนอนอยากนี้อยากปฏิบัติได้ ตองดูไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราตัวกูเนี่ยมีกายกับใจดูซิมันน่ารักตรงไหนเดีย๋ยวคอยดูอยู่ที่กายคอยดูอยู่ที่ใจจะเห็นไม่มีแต่ตัวทุกไม่เห็นน่ารักตรงไหนเลยก็ยังหวงอยู่ครับนั่แหลเพราะยังไม่เห็นทุกยังรู้สึกเป็นตัวดีอยู่ดังนั้นดูกายดูใจบ่อยๆนะแล้ววันหนึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวดีมันจะไม่ไม่รักกายรักใจมันจะปล่อย ตอนนี้มันไม่มองโลภะนะครับมันไม่มองกลับขับไปฮะเล้วครับามันไม่มองโลภเลยฮะแล้วไปมองอะไรอ่ะมองโทสะครับมองโทสะโทสะที่หลังครับฮะโลภมันไม่ค่อยเห็นครับเฮ้ยโลภไม่เห็นก็มีโทสะก็ดูโทสะสิครับไม่เห็นมันไม่ได้โลภเลยไปดูโลภได้ไงล่ะถ้ามันมันโลภไปแล้วนะแล้วมันไม่ได้อย่างที่โลภนะโทสะมันเลยขึ้นเราดูตรงโลภไม่ทันรู้สึกไม่รักตัวเอง ตรวนี้เราไม่เห็นไงนเรายังไม่เห็นมันก็ไปเห็นตอนที่ไม่ได้อย่างที่อยากแล้วโทสะก็ขึ้นดังนั้นเห็นโทสะได้ก็เอาไม่ต้องเห็นโลบเพื่อได้เห็นเห็นอะไรก็เอาตัวนั้นแหละสังเกตไหมโทสะเกิดเองเกิดเองดับเองกิดเองดับเองนะเนี่ยเรียนรู้ตรงนี้ไปเลยถ้าจิตเรามีโทสะมากๆเราก็ใช้บทที่ว่าดุกละพิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ จิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสนะะใช่บทนี้คุณพ่อมากครับมันไม่ยากหรอกนะที่ภาวนาใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าใจตอนเนี้มันฟุ้งซ่านไปนิดหน่อยรู้สึกไหมกระจิดกระเจายกระจิดข้างนอกหมดใช่ไม่ออกข้างนอกครับถ้าใจออกข้างนอกอย่างนี้เราก็ใช้วิธีหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้าบ้านหายใจแล้วรู้สึกหายใจเรารู้สึกนะแต่ไม่ดึงจิตคืนนะ ห้ใจเรารู้สึกหายใจแล้วรู้สึก จ, กจิมจะกลับเข้าบ้านถ้าจิมไม่เข้าบ้านไม่เดินปัญญาจะจะร่อง้อยสบายอยู่ข้างนอกไปทำอีกไปขอบคุณครับหมดแล้วครับครับต่อไปพวกเราจะร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมนะครับพิธีกรจะเป็นผู้กล่าวคาถวายนะครับพวกเรากล่าวตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปลาโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน ละผ่อนนะยะถาวาริวาฮาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวายโตที่นางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะามณีโชติรโสยะถาสัพพีตีโยวิวัตจันตูสัพพารุโควินัสตู มาเตพวัดวันตรารโยสุขีที่คายโกภพวะาอภาิวาทานาสีเลนสนนจจังมุทธาปัจจายิโนจ ต, ตาโรธรรมาวันเตียยุวันโนสุขังพระลังปัจจัยทยทานหลองพ่อถวายพระอาจารย์สมชัยนะท่านต้องดูแลวัดจัดสถานที่ให้พวกเรามาฟังธรรมกันนะแล้วเดี๋ยวมีแยกกลุ่มเนี่ยใช่ไหม มีใครจะเรียนกับคุณมาลีหมอนัทมีประสานเลยนะเรียนตอนหลวงพ่อไม่อยู่แล้วกลับไปแล้วใช่ไหมแต่หลวงพ่อแนะนำอย่างนะถ้าเราเลือกเรียนถูกจริตนิสัยเราแล้วนะอาจารย์ถูกจริตเราแล้วอย่างเงี้ยเรากจะไปเรียนข้ามไปข้ามมานะถ้าฝั่งคนโน้นทีฟังคนนี้ทีมจะพาวนามไม่ได้มันจะงง เพราะว่าแต่ละคนนะมีสไตล์แตกต่างกันนะตามความถนัดจะไม่เหมือนกันแต่ละคนงั้นเราดูว่าเราชอบแบบไหนนะแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ประเภทวันนี้เรียนกับคนนี้วันนี้เรียนคนนี้อย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกนะอย่างเชลีนกับคุณมารีเขาตั้งใจเรียนไปเอาจริงจริง น, นก็ไปได้นี่จะเรียนกับหมอนาดเียกับภาษาอะไรเอาสักคนหนึ่งถ้าเรียนวันเดียวสามคนนี่นะัดไม่ได้กินหรอกมั่วตายเลยะ